ท่านสาธนพุทธบริษัททั้งหลายและเพื่อนบริสุทธิ์สมณ น, นทั้งหลายฟังเสียงแล้วรู้สึกว่าผอเสียง่มจะแห้งๆเรื่อยๆไปมองดูเวลาเวลา น, านี้มันกใกล้จะห้านิฬิกายเข้ามาแล้วยังเป็นคืนของวันที่เก้าตุลาคมสองพันห้ารอยี่ิบหก ผมบันทึกบันทึกผมคุยคุยแล้วผมก็เดินเข้าสวมคืนนี้ร่างกายมันดีมากมันขี้มาตั้งแต่ตอนร้ค่ำยันใกล้สว่างนี่ผมพูดภาษาไทยนะใครยะเห็นว่าหยาบ ก, ก็เชิญเถอะ ก, ก็อย่าฟังพูดให้คนที่เห็นว่าไม่หยาบฟัง ให้ถ่ายจาระหรือไปทุ่งไปท่าไปบางคนหนักบางคนเบาเลยเนี่ยพรไม่เคยใช่มาเลยตอนเด้เกิดมาผมก็บอกปวดท้องขี้ปวดท้องเยี่ยวภาษาของผมคนเร็วๆอย่างผมคนดีจะคบหรือไม่คบก็ตามใจเถอะก็รวมความว่าก็ยังเป็นวันที่ก้าวอยู่ วันนี้ก็มาคุยกันถึงอารมณ์ของพระอนาคามีสําหรับพระโสดาบันในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทพระพระธเจ้าทันหมายถึงว่าเป็นผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานรวมความว่าเป็นคนที่อบายภูมิรังเกียจอบายภูมิมีสีคือนรกเปตอสุรกายสติริชาน ทั้งสี่สถานที่นี้เขาห้ามเข้าไปอยู่ในเขตของเขาถ้าไปเที่ยวโชคข่าวเขาไม่ว่าถ้าไปอยู่เขาไม่ยอมให้อยู่ก็ดีเราจะได้ไม่ลำบากแต่ว่าเราปฏิบัติตามปฏิบัาของพระอริยเจ้าแต่ขอทุกคนจงอย่าคิดว่าเราเป็นพระอริยเจ้า ถ้าคิดว่าเราเป็นพระอริยเจ้ามาอะไรความระหมาดมันจะเกิดมันจะเป็นหรือไม่เป็นเป็นเรื่องของสมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าท่านจะทรงรับรองหรือว่าถ้าเราไม่สามารถจะพบสมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าได้ความตายจะเป็นเครื่องรับรองรับรองถ้าเราไปมาโซดาบันจริงเราก็ไม่ตกอบายภูมิ เราเป็นพระอหันตจริงเราก็ปนิพพานก็หมดเรื่องไปรู้กันจริงๆไปมั่นใจก็มาตายแล้วเมื่อยังไม่ตายก็ยัาเพิ่งมีความมั่นใจยาเต็มอย่าอิ่มในการปฏิบัติในด้านความดีในสมัยพระเจ้าก็ยังมีพระที่สรงชันโลกี ถ้าทรงฌานโลกีจริงๆนี้บรรดาแท่พุทธบริษัทชายหญิงมันจะกดอารมณ์ทั้งหมดราคะความรักก็ดีโลภะความโลภ ก, ก็ดีโทสะความโกรก็ดีโมหะความหลงก็ดีมันไม่มีในความอรุใน롱โคจิตความรู้สึกมันไม่มี ท่านก็เลยหลงคิดว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ต่อมาอารมณ์นั้นมันคลายตัวชาลมันคลายตัวชาโลกีนี่คบยากไม่แน่นอนพอเราเกิดขึ้นมาจริงๆเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาทัฏธเจา้าถามตามความรู้สึกว่าเข้าใจว่าเป็นพระอาหารหันต์แต่มันไม่เป็นจริงๆ แล้วก็พูดไปแล้วว่าเวลานี้ท่านเป็นผู้เห็นทุกข์ปลดเปืองได้แล้วถามองค์สมเด็จพระบรมทิเแก้วว่าจะเป็นอุตริมนุสธรรมไหมองความว่าจะเป็นน้ำบัดประราชิกไหมสมเด็จพระจอมไตรยทรงตัดว่าไม่เป็นเพราะว่าเป็นความเข้าใจผิดไม่มีเจตนาโอ้โอวด นี่พวกเราก็เหมือนกันทำไปแล้วจงอย่าคิดว่าเป็นพระอริยเจ้าเป็นแต่เพียงว่าพระอริยเจ้าท่านเดินทางแบบไหนเราเดินตามท่านถ้าเดินแบบสบายๆ <c oughs> อย่ารุกรานอารมณ์อย่าทำตนใหเสีเวลาการงานมีหน้าที่กายงานอะไรก็ทำตามปกติ ใจเราเมืม่อเวลาว่างแล้วก็คิดแล้วก็กำหนิงเล่าเรือๆไปวันนี้มาพูดถึงปฏิปทาของพระสิกธาคามีพระสิกาคามีนี่ตามบาลีท่านแปลว่าอย่างไงผมจะไม่แปลตามนั้นผมจะถือความหมายว่าพยายามคลายตัวเพื่อการคลองเรือนพระสิกาคามีเนี่ย ผมขอตีความหมายว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นการคลายตัวเพื่อการคลองเรือนสําหรับพระอนาคาเมนะท่านแปลว่าเป็นผู้ไม่ครองเรือนสกิธาคามียงงังคลองสังคลองเรือนอยู่แต่ไม่หาทางขยับขยายถอยออกมาทีละน้อยๆเพื่อพ้นจากการคลองเรือนสําหรับหลักใหญ่ในการละ ที่พยายามละก็อันเดียวกันพระโสดาบันคือละสกายทิติวิจิกิจฉาศีรพตปรามาตยแต่ว่าสําหรับพระโสดาบันท่านละสกายติติแค่มีความรู้สึกว่าตายวิจิกิจชาไม่สงสัยในคุณพระรัณาตรัยศีรพตปรามาตทรงศินบริสุทธ สำหรับพระสีธาคามีคลายออกมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้แกต้องตายแต่ก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีที่เราอยากได้มาเป็นคู่ครองหรือว่าเป็นคู่ครองกันแล้ว มองดูจริงๆตอนแรกเรารักแสนรักไม่ว่าเธอหรือเธออท่านหรือคุณจะดีแต่ว่าเอาจิงเอาจังร่างกายของเธอและขคุณนี้เต็มได้วยความสกปรกโสโครกเวลาที่ร่วมรักในการมารรมเจะพบกับสิ่งที่มีความโสโครกในแดนที่เราปรารถนา มันจะมีการแสดงการรังเกตขึ้นเมื่อสร็จกิจในการร่วมรักนั่นคือกลิ่นที่ไม่ต้องการมันจะปรากฏสิ่งที่เราไม่ต้องการมันจะปรากฏแต่ทั้งหมดมีความรู้สึกการมารมเกิดมันก็ต้องการใหม่ตอนนั้นได้ว่าชีวิตจริงโง่ยังไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้ เหมือนกับคนหิวไม่ได้พิจารณาอาหารอาหารจะมีมแมลงวันตอมหรืออาหารจะบูดไม่สนใจขออย่างเดียวได้กินก็แล้วกันต่ออาถึงพระสิกขาคามีเริ่มใช้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงเรื่อร่างกายของชายและหญิง นี่มันเต็มด้วยความสสโสโครกความหน่ายในอารมณ์เริ่มเกิดแต่ว่ามันมีแต่ความหน่ายความเบื่อยังไม่มีหรือความเบื่อจะมีมั่งมันก็เบื่อเบื่ออยากอยากบางโอข่ายก็เบื่อบางโอข่ายก็อยากอันนี้เป็อารมณ์ของปสิกิขาคามี ด้ความอยากความ อ, อยากมันไม่รุนแรงเท่าเดิมมันมีอาการคลายตัวมีความรู้สึกตัวเร็วมีความนังเกียดเริ่มขึ้นในบางขณะมีความต้องการในบางขณะแต่ปกติอารมณ์ใจของพระสกิทาคามีเฉยชาลงไวมากไม่ได้การามารม เจะว่ากันเป็นชั้นๆเป็นตอนๆ ต, ต, ตอนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นเครื่องคำจุนต้องมีสมถภาวนามาควบกับวิปัสนาเป็นเครื่องคำจุนให้ร่างแลให้จิตใจคือปัญญามันเกิดนั่นก็มีความรู้สึกทางกายยังยงไปทางกายยกตาดับนุตติกรมฐ า, าน เห็นว่าร่างกายนี้เป็นในการสารุสสองแล้วก็เมียสะพกรมัมฐานก็นมาสนับสนุนอสุภัยเห็นว่าไม่สวยไม่งามไม่เบากาส <c oughs> มีความรู้สึกว่าร่างกายของคนทั้งเราและเขามันมีความสกปรกน่าเกลียดอยู่ไม่น้อยแล้วก็วันเวลาผ่านไป ความผ่องใสของร่างกายก็ทรุดโทรมเศร้าหมองลงทุกวันรวมความความหน่ายเกิดขึ้นกับกำลังใจกองพระสิกขาคามีทีละน้อยละน้อยค่อยๆค่อยๆผ่านนะนี่ทำกันแบบสมบัตบายใช้อารมณ์กีฬามาด้านนื้ความร่ำรวย โอเคเลยความร่ำรวยนี่เป็นปัจจัยของความทุกข์การแสวงหาเป็นปัจจัยของความทุกข์มากได้มาแล้วมันก็ยัมีความทุกในการเก็บรักษาใช้หมดไปหรือน้อยไปก็มีความทุกข์ใจอีกความว่าการติดอยู่ในความร่ำรวยนี่มันก็ทุกชักเบื่อหน่าย กำลังใจคลายตัวแต่ว่าความขยันหมั่นเพียรยังมีอยู่เพราะว่าชีวิตยังมีอยู่มันก็ต้องกินต้องใช้ก็ต้องทำมันแต่เหนื่อยหน่อยในการทำเต็มทีแต่ว่าทำขยันมาสำหรับด้านความโกรธพระสกิธาคามีเริ่มมีปัญญามากขึ้น มีความวาความรู้สึกว่าความโกรธเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเรามีศัตรูคนหนึ่งเราก็ต้องระวังกายระวังทรัพย์สินเกรงว่าศัตรูจะมาทำร้ายร่างกายจะมาแกล่งแกล้งให้เรามีความทุกข์แลวก็มีความคิดต่อไปว่าการเป็นศัตรูกันเป็นการปิดทุนทางความจเจริญการก้าวหน้าของเรา ทำลายความสุขทำลายผลได้ด้วยกำลังใจแห่งความโกรธเพราะสกิทาคามีบันเทาหลงมากและกำลังของความหลงในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรแลในความเกิดมีความเบื่อหน่ายขึ้นมามากในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรมทั้งนี้เราใช้อะไร อย่าลืมว่าเวลานี้เราคุยกันในเรื่องราวกคธรมริการสตรตามแนวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็มานั่งคิดทั้งตัวเราว่าการเกิดแต่ละคราวนี่ที่เราคิดว่าชีวิตร่างกายของเรามันดีมันทรงตัวยังมีความเมามัน ร่างกายของคู่ครองดีสวยสดงดงามเราเมามันในความรักแต่ว่าสภาพอย่างนี้มาทรงตัวไหมทุกชาติเราเองก็แก่คู่ครองก็แก่ร่างกายของเราก็สกปรกคู่ครองของเราก็สกปรกในที่สุด เราก็ตายร่างกายเราก็ตายร่างกายของคู่ครองก็ตายก่อนจะาตายเราก็ป่วยคู่ครองของเราก็ป่วยก็เลยชักเบื่อหน่ายเรื่องร่างกายมากขึ้นอารมณ์ปราดธนาในร่างกายของเราของเขาเหนื่อยลงมากชักเบื่อแต่บางครั้งเพลิดเพลินก็เริ่มอยากอยาก เขเรียกเบื่อเบื่ออยากๆยาแต่ว่าการเบรื่อมันมากกว่าอยากอย่างนี้เป็นลักษณะเขาพระสกิทาคามีเรื่องการดิ้นรนในการหาทรัพย์ต้องเป็นหนี้เป็นสิงเขามากเกินพอดีต้องเดือดร้อนไม่มีนพระสกิทาคามีอาจจะเป็นหนี้เขาบ้างตามความจําเป็นที่สามารถจะหาใช้ได้ แต่การค้าขายพอที่จะมีกำไรต่อสู้กับเขาเอาทนมาคืนเขาได้เราจะทำถ้าไเกินจากนั้นไปพระสกิทาคามีไม่ทำถือว่ามีมากก็กินน้อยมีน้อยก็กินน้อยเพราะการกินของเรามันกินแค่อิ่มไม่ใช่มีมากกินคราวเดียวสามอิ่มสอิ่มไม่กินไม่ได้ แล้วก็มีจนจะกินคราวเดียวครึ่องอิ่มก็กินไม่ได้มันก็ต้องกินแค่อิ่มอาหารบนโต๊ะอาหารและในถาที่เรากินมันจะมากมันจะน้อยก็แค่อิ่มโอ้ท่านเคยเห็นผมบางคราวญาติโยมอาหารไม่ให้เต็มโต๊ะ ผมก็ล่อปลาปลนนะครับปองที่เขาซื้อมาให้เขาข้าวเขาเขา้ขาวกินเอาน้ําปลาใส่หน่อยมั น, นวเอาบีบนิดตามสูตของเขาเพราะก็กินเขาหิวอิ่มถ้าถามว่ารังเกียจอาหารเขาญาติโยมหรือก็ต้องตอบว่าไม่รังเกียจแต่ว่าความแก่มั น, มนบังคับถ้าโรคภัยไข้เจ็บมั น, มนบังคับ กินของสดของข่าวของเหนียวไม่ได้ก็ต้องล่องล่อมาย่อล่องล่อปลาปนบางทีเพราะกินหัวเชโปท่านก็เคยเห็นนั่งกินทั้งก็ต้มขาสวยทั้งกะวันตอนเชา้าทั้งเชา้าทั้งกวันก็กินหัวเชโปเออความกินอะไรก็ได้มันก็อิ่มก็รวมความว่าเรื่องธรรมดาธรรมดา ให้การโลภโมโทสันก็ถอยกำลังลงท่านแบบแต่ผมไม่ใช่เป็นพระสิทธาคามีนะอันนี้ผมพูดในความบนร่างกายมันไม่เป็นเรื่องอย่างนี้มาได้ของความโกรธท่านก็ลดกำลังลงได้ได้ของความหลงจะเกิดเป็นคนเป็นเทวดาท่านเหน่อยหน่ายเต็มทีถ้าเวราจะทมกันให้เร็วจริงๆใจะใช้อะไร จะใช้ทิพย์กุยยานดูการเกิดการตายของสัตว์นั่นมันเรื่องของคนอื่นก็ดีเหมือนกันจะดูว่าคนพวกนี้ก่อนจะเกิดมาจากไหนและก็แลตายแล้วไปไหนก็ดีเหมือนกันบางคนมีศักดิ์ศรีสูงมีวาที เขียนหนังสือด่าชาว บ, บ้านเล่นกโกโก้ในหนังสือพิมพ์พระจะดีที่ไหนคนจะดีที่ไหนไม่ชอบใจสักพราอ ย, ยิงข่าวว่าตายโน้นไปเสวยมหันตศกอยู่ในเอวีจีมหานรกบงังไปอยู่ในโลกัตนตมนรกบงังพระประกะทกประเทิมพระอรียาเจ้าเขา ที่แย่างเป็นเปรเปนสุรกายร่ำยมโรกินรกไม่มีจิตแล้วก็เป็นสุขคิดว่าอะไรไอ้ความเลวอย่างนี้ต้องไม่มีสำหรับเราใน้ใชั ท, ทิพิกุญาณของพระเจ้าทินวาวาถ้าไปดูคนที่ก็มีความสรรเสริญในคุณพระไตรสรนาคม ไม่ประมาทในชีวิตที่คิดว่าจะตายทรงสินบริสุทธิ์และก็บันเทากำลังใจในการเกิดแต่ความไข้ในการมารรคคิดอ่อนไปบันเทาในความโลภเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นทันบันเทาในความโกรธถึงเว่ า, เราร้อยเกินไป มันเภาในความหลงกันบางใจมีความเริ่มเบื่อหน่ายมนุษย์สโลกเทวโลกละระเบรมนุโลกจิตใจนงเดียวจะว่าตรงพนันธิพาลท่านบวนี้ไปไหนเวลาตายแล้วส่วนใหญ่ท่านเหาหะเลยก็บปเป็นครมก็มีส่วนมากส่วนน้อยจะเป็นเทวดาที่จะถอยหลังเมื่เกิดมนุษย์ฉปรนหายาก แล้วก็ดูต่อไปแช่ตีตังสิยานท่านทั้นหลายพวกนี้ก่อนก่อนนี้เมื่อท่านตายจากคมจากกันท่านเป็นทวโสดาบันก็ดีเป็นพระสิธาคามีก็ดีตายจากคนขึ้นไปไปพบพระพุทธเจ้าก็ดีพบพระอรหันก็ดี ท่านเป็นเทวดาและผมฟังเทศจบเดียวท่านไปอาหลานทันทีทันทีก็รู้สึกว่าปฏิปทาของท่านดีมากน่าเรียนแบบเราก็พยายามเรียนจากท่านมาด้านความโกรธที่จะบรรเทาได้ก็ใช้พมมีหารสี่หรือว่ากรสินสี่ ก็ ส, สีนี่ก็สนสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งทำเป็นชานควบกับอุปรสราคยาเหนื่มอารมณ์โกรธเป็นปัจจัยของความทุกข์จิตใจก็เริ่มคลายความโกรธมีอารมณ์เป็นสุขนี่เป็นขั้นต้นคำว่าวสกิทาคามีตั้งโมหะไม่ต้องพูดกัน ต่อไปพระสิกขาคามีเบื้องปลายกำลังใจละเอียดมากความรู้สึกพอใจในกามารมณ์ก็ดีในความร่ำรวยก็ดีในความโกรธก็ดีมันเว้นไปตั้งหลายวันไม่มีรมใจขึ้นมาเลยดีไม่ดีมันถึงเดือน แต่ผลที่สุดอารมณ์เป็นความรักนิดหนึ่งหรือความโกรธนิดหนึ่งมันจะปรากฏขกึ้นอกจิตว่าคนนั้นดีคนนี้สวยหรือว่าคนนั้นทํามาดีคนนี้เป็นศัตรูสําหรับเราแต่พราเกิดขึ้นขนาดเดียวจิตกําลังสติสมิธิยะมันมีกําลังกล้าปัญญาสูงมันฟันปั๊บตกทันที ถ้ามาระยะนี้ท่านที่เป็นสกิทาคามีบางท่านหลงว่าเป็นพระอนาคามีที่ตั้งนี้ผมทราบเพราะอะไรทราบจากการถามพระพระบางท่านที่อยู่ตามป่าตามดงและบางท่านที่อยู่ในกรุงเทพแต่ว่าไปอยู่นางเทพยังพระหลวงตาที่ชาวบ้านไม่พึงปรารถนา บุคคลที่ต้องการศักดิ์ศรีใหญ่ไม่ต้องการในท่านมีหลายท่านตายไปซะหลายองค์แล้วแต่เวลานี้จะมีที่ไหนบ้างผมก็ไม่ทราบผมแก่แล้วที่กิดกระโดดขด็กไปหาผมก็ย่ำเจริยายของผมแต่พอเดียวเรียนแบบพระอเรียเจ้าแต่ผมไม่ได้เปน็นอะ ที่ว่าบอกไม่ได้เป็นเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าใหนประกาศสนียบัตไม่มีใครมารับรองให้ประกาศสนิบัตหรือปัญญาบัตรกับผมผมจะบอกว่าผมเป็นอะไรนั้นมันไม่ได้ผมบอกท่านแล้วว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรผมรู้แต่เพียงว่าผมพยายามเรียนแบบพระเรียเจ้าเท่านั้น จะลืมเลยคนเรียนแบบจะมาลองอะไรกันไม่ได้นะดีไม่ดีสิ่งที่มันละไม่ได้มันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ยุ่งไปตามๆกันผมไม่ทำอวยใครไม่ทำเพื่อสอบแต่ว่าผมเรียนชอบเรียนแบบท่านถ้ามันเบื่อไม่จริงเบื่อมั่งไม่เบือ่อมั่งเบือเบ่อๆอ ย, ยากๆก็ดีกว่าไม่เบือ่อเสลยอย่งยางเสมอ ยังลาบยศสเสริญสุขที่เขาชอบกันพงก็แก่แล้วนี่อายุอีสองสามวันก็จะเจ็ดสิบแต่เกียรติกายหาลาบเพื่อส่วนตัวเพื่ออะไรเกียรติกายเพื่อหายถาบรรดาศัก์เพื่ออะไร ไ่ต้องการความสั่งเสเย็นยอเพื่ออะไรเขาสั่งเสรินผมแค่ไหนผมก็ไม่หนุ่มขึ้นแก่ลงไปทุกวันมันก็อย่าตายอยู่แล้วขี้เกียจมาว่าจาความสุขในกามารมไม่ต้องพูดกันคนขนาดนี้เขาก็เสียนอายุกันนานแล้ว <c oughs> แต่ก็คิดอย่างนี้จะคิดว่าผมเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่ มันเป็นอารมณ์ธรรมดาของสาวกอง์สมเดจพระสัมมาทัมมตธเจ้าหลุนชฉียวเป็นนั้นว่าถ้าเราใช้กําลังปกเพนิวาสานุตยานกับทิพยุกยานของพระพุทธเจ้าอันนี้เราพูดกันแนวของอเมริกาสูตรแยกไม่ได้อันนี้ถ้าใช้ทิพยุญานจะมีประโยชน์ ถ้าปลกเพนิวาสารมิติยานเราไม่เคยได้กับเขาดูแล้วก็ไม่พบมันต้องดูคนอื่นกันท่านมีความสุขขนาดนั้นเราก็พยายามเรียนแบบนัานเรียกว่าเป็นนักเรียนประเภทอะไรละ่ะที่สมัครสอบแก็ไม่ใช่นักเรียนในโรงเรียนนี้เขามาสมัครสอบร่วงเครื่ออะไรก็ไม่ทราบโรงเรียนนอกโรงเรียนอะไรก็ไม่ทราบนะ นักเรียนโรงเรียนกวดวิชาได้ไงอาพประเภทนั้นเราไม่ได้อยู่โรงเรียนจริงคือไม่ใช่พระอริยเจ้าจริงแต่ขอยอย่องย่องตามท่านมันยับยั้งได้แค่ใดพอใจแค่นั้นแล้วก็พยายามไม่ทำเป็นกิลาสำหรับพระสิกษาคามีนิบันดาเจ้าพุทธบริษัท ต, ต้องใช้ทิพยานให้มากดูท่านที่ได้บุแล้ว แล้วก็ดูบคุคคลที่ไม่ได้บรรลุเป็นปุถุชนที่สร้างความชั่วเป็นคนติดในกามารมณ์ ม, มากเกินไปติดในความโลภมากเกินไปติดในโกรธเกินพอดีไปติดความหลงเกินพอดีไปตายแล้วไปไหน เอาไว้เป็นครูแล้วก็ดูท่านที่บรรเทาได้ตายแล้วไปไหนเอาไว้เป็นครูนี่การที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ใช้กำลังของยานที่เป็นกับพีกับแก่นมันเป็นประโยชน์อย่างนี้ช่วยในการตะกินเละที่เป็นสมุติเทิดประหารง่ายมาก แต่กบันดาแต่บริษัทจะฝึกฝนเครียรเกินไปไม่สมควรไม่ถูกต้องด้วยใช้อารมณ์ไปกินลามันก็เป็นของไม่ยากถ้า เ, เบื่อในร่างกายก็ดูร่างกายของเราก็ดังร่างกายของเพื่อนร่างกายเด็กที่เกิดที่หลังเราเธอไม่ทรงตัวเรื่องความสวใสดวามงามอยู่แค่นั้นไม่ช้าไม่นานเธอก็แก่ไล่เรียกกับเรา แล้ก็น่าเบื่อดูคนป่วยไข้ไม่สบายก็น่าเบื่อดูความคับแค้นในการประกอบอาชีพก็น่าเบื่อโดนอารมณ์ที่อิจฉาทิสยาในกายงานก็น่าเบื่อถ้ามันเบื่ออย่างเดียวมันกันดาหมดเบื่อหมดอาบรรดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสรคต ปฏิบัาการเรียนแบบพระอสกิทาคามีมองดูเวลาก็หมดแล้วคอยทำกันแบเบาๆแบบนี้เป็นแบบกิลากิลาพอราาักษากำลังใจเป็นสุขเท่า น, นี้ก็จะเป็นที่ถูกพระพรประสรงค์ก็องค์สมเด็จพระสัมมาทัมมติเจ้าเมื่อหมดเวลาแล้วเวลาจะตีห้าเอาที่ห้าแล้วนี่ก็ขอลา ก, ก่อนขอความสขสวัสดิพิพัฒนะหมดนัน มงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแดบันดา่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี